ตัวฉันเกิดขึ้นแล้วเราจะมีชีวิตที่โปร่งเบาเป็นอิสระความทุกข์ไม่มีที่ตั้งเพราะไม่มีตัวฉันมาเป็นเจ้าของความทุกข์ใหม่ๆเรายังไม่สามารถที่จะมองเห็นตรงนี้ได้แต่ว่าเมื่อเราดูและเห็นอยู่เรื่อยๆปัญญา หรือความประจักษ์ในความจริงเหล่านี้ก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าเราทุกข์เพราะปล่อยให้ตัวกูของกูเกิดขึ้นโดยแท้นี่แหละคือต้นเหตุแห่งทุกข์ทางปวงพระภัยสารวิสาโล ชวงตุดจีนนะคะอาจารย์คะก็จะมีสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นทุกต้นปีก็คือพอตุดจีนทีหนึ่งเนี่ยก็จะมีผู้รู้มาทำนายาทยทักดวงชะตาของผู้คนละค่ะว่าคนเกิดปีไหนจะมีชะตาชีวิตเป็นอย่างไรคนที่ถูกทำนายว่าดีเนี่ยก็คงไม่น่าเป็นห่วงใช่ไหมคะอาจารย์รแต่คนที่ถูกทำนายว่าไม่ดีเนี่ยแหมจิตใจจะหวั่นไหวกันบ้างไหมหนอ แล้วมันก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่นำมาเป็นข้อคิดข้อทรมในต้นรายการเมื่อสักครู่นี้นะคะจา์จริงๆแล้วการมีตัวฉันเนี่ยเห็นทีถ้าว่าจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์จริงๆนะคะเพราะว่าถ้าปราศจากเสีซซึ่งตัวฉันให้ได้อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยชีวิตที่เหลือของคนเราเนี่ยน่าจะมีความสุขมากขึ้นจริงๆค่ะก็ถือว่าความเป็นตัวฉันตัวเราเนี่ยเป็นสัญชาตญาณของสัตว์โลกทั่วไปค่ะ เมื่อเริ่มมีตัวฉันแล้วก็มันต้องมีของฉัน <bright. S 2> แล้วตัวฉันของฉันต้องดี <Let> s <S <evangel> ต้องเด่นต้องเหนือ<ๆ>คนอื่นมันก็เลยเป็นกระบวนการของการเริ่มต้นของความถุกแหละเพราะว่าถ้าว่าเราต้องการในสิ่งที่เราอยากจะได้อยากให้ดีอยากให้เด่นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันไม่เป็นไปตามต้องการของเราหรอกทุกอย่างก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเองแต่เราก็ไปฝื้นให้แรงใจใเราเนี่ย ก็เพื่อตัวเราบางคนบอกว่าเออเป็นสิวเม็ดหนึ่งเป็นสิวที่หน้าคนอื่นไม่เป็นไรหรอกแต่เป็นที่หน้าฉันเนี่ยมันเดือดร้อนมันเป็นเรื่องเียเ <c oughs> พราะความเป็นตัวฉันเนี่ย <c oughs> ก็เป็นเรื่องธรรมดานะ <c oughs> เนี่ยแต่ถ้าเราสามารถที่จะควบคุม <c oughs> ความเป็นตัวฉันให้อยู่ในระดับหนึ่ง <c oughs> เช่นระดับของสมมุติสมมุติว่าเป็นเราเพื่อใช้ทาหน้าที่ใช้อยู่ในสังคมพวกเนี้ยใช้สมมติอย่างถูกต้องเนี่ย เสร็จแล้วเราก็ต้องปล่อยวางความเป็นตัวจารออไปซะเป็นเหลือแต่หน้าที่และแต่สมมุติทุกมันก็จะไม่เกิดขึ้นเ่ยอย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้แหละสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ความทุกข์ไม่ใช่ปัญหาความเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่สวยอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหาที่ว่าเราไม่อยากให้มันป่วยเราอยากให้มันสวยอยากได้เองใจเราตัวปัญหาคือตัวที่จิตใจ คือความยึดมั่นถึงมั่นถ้าเราไม่ยึดมั่นถึงมั่นเสร็จแล้วเนี่ยเหลือแต่หน้าที่เสร็จแล้วที่ตั้งของความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นที่ตั้งของความทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีมันมีตัวเราที่เป็นที่ตั้งพอไม่มีเหตุก็ไม่มีผลนะคะนนัน้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ฝืนความรู้สึกของเราแล้วก็รู้สึกว่าจะฝืนได้ยาก <c oughs> ไม่น้อยทีเดียวนะคะแต่ว่าสัจธรรมก็คือสัจธรรมนะถ้าฝืนความรู้สึกของเราเนี่ยถ้าเราไม่ปรับ ไม่จูนเครื่องให้มันตรงกันกับสัจธรรมแล้วก็เราก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าเรารู้จักเที่ยะปรับเนี่ยปรับยอมรับความจริงสับ้างเนี่ยยอมรับกับมันเนี่ยเราก็จะมีความทุกข์ที่น้อยลงน้อยลงและเราจะรู้จักเข้าใจเข้าใจความจริงของชีวิตเข้าใจความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ต้องเกิดจากการศึกษาการได้ยินได้ฟังการได้พูดคุย การได้รองมีสติสำรวจดูกายดูใจของเราแล้วก็สิ่งที่มากระทบกับกายกับใจของเราเนี่ยสำรวจดูซิว่าของจริงนี่มันเป็นอย่างไรมันต้องมีการสังเกตนะถ้าไม่สังเกตสังกาแล้ว ก, แวก็แล้วก็ทำตามสัญญาณจของความเป็นตัวเราอยู่เรื่อยไปการสังเกตเนี่ยมันต้องอาศัยจิตที่เป็นกลางสักหน่อยยุติธรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราสักหน่อยเป็นกลางๆงอย่าเพิ่งไป เอาถูกเอาผิดเอาบวกเอาลบรู้ลงไปตรงๆก่อนเนี่ยสิ่งเหล่านี้แนหะมันเป็นการเริ่มต้นเก็บข้อมูลความจรงิงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสั่งสมปัญญาเนี่ยเริ่มต้นจากความเป็นตัวตนก็เริ่มไปเถอะให้เป็นตัวตนไปก่อนแล้วต่อไปเราจะค่อยๆลอกออกลอกความเป็นตัวตนออกทีละชั้นทีละชั้นเอามันจะไม่เหลืออะไรความเป็นตัวตนนั้นเป็นเพียงแค่ความคิดเป็นเพียงแค่ ความเห็นผิดของเราว่ามันเป็นเราอันนี้พอจะเข้าใจเนาะค่ะแต่ทีนี้ว่าเราที่เขาทํานายกันนะคะอาจารย์ทํานายว่าดวงชะตาเราจะเป็นยังไงในปีนี้อย่างเนี้ยนะคะอย่างที่เมื่อกี้ว่าไปแล้วอะคะ่ะว่าถ้าดีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยเราจะทําใจยังไงล่ะคะอย่างยกตัวอย่างตัวเองเนี่ยค่ะคะอือโอกาสเป็นตัวแทนคนเกิดปีชวดซะเลยนะคะ อ, อยู่ดีว่าจะชวดขนาดไหนนะคะปีนี้ใครๆก็รู้ว่าตรงกับปีชวดนะคะ เขาก็ว่าเป็นปีนั ก, กษัตย์ตัวเองนะคะแม้ว่าจะไม่ถึงกับปร ะ, ะชนซะเลยทีเดียวแต่ก็ถือว่าล่วงเกินเทพเจ้าประจำปีไทยสวยเอี้ยทางที่ดีเนี่ยเขาก็ทำนายกันไว้ว่าให้เจ้าของดวงชะตาเนี่ยนะคะควรจะสงบนิ่งอย่าคิดอ่านการใหญ่จะได้ไม่เจ็บตัวสิ่งที่ดีเนี่ยควรจะหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองจะเข้าท่ากว่า เพราะว่าปัญหาใหญ่ของตัวเองในปีนี้เนี่ยคือเรื่องของสุขภาพเสื่อมถอยแล้วมีคําแนะนําด้วยนะคะถ้าไม่ไปตรวจสุขภาพประจําปีก็ควรจะทําประกันชีวิตไว้ล่วงหน้าเสียเลยดูแลน่ากลัวเหมือนกันนะคะประกันชีวิตกับธรรมะหรือเปล่านั่นน่ะสิคะ <c oughs> เขาก็ไม่บอกนะคะแต่ตรงนี้คงไม่ใช่ธรรมะมังคะ <c oughs> ถ้าถ้าเป็นแนวนี้แล้วน่าจะเป็นประกันชีวิตทางโลกซะมากกว่า <c oughs> แล้วยังมีอีกนะคะอาจารย์รมีคําแนะนําถึงวิธีแก้ไขดวงที่ไม่ค่อยดีสําหรับปีนี้ว่า ควรจะเอาดวงของตัวเราเองนี้เนี่ยไปฝากชะตากับทางวัดเลิงได้ยี่ย่านเยวาวราชเอาไว้เพราะว่าเมื่อพอถึงวันพระจีนเนี่ยทางวัดก็จะทําพิธีสวดมนต์บัดเป่าเคราะไร้ายให้เรานะคะและ บ, บางตําราก็บอกว่าแนะนําให้ไปไหว้ เ, เจ้าพ่อกวนอูที่ศาลเจ้ากวนตีในซอยอิสรานุภาพเพื่อที่จะเสริมเรื่องการงานให้ดียิ่งขึ้นไม่หนักหนาสาหัสตามดวงอะไรประมาณเนี้ยนะคะครับแล้วยังมีอีกนะคะอาจารย์ ควรจะตั้งของมงคลในบ้านเพื่อแก้เครสเขาบอกว่าให้จัดตั้งรูปวัวหันหน้าไปทางที่ตะวันออกเพื่อเสริมดวงชะตาให้กล้าแข็งขึ้นเราเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วในฐานะที่เป็นเจ้าของดวงเนี่ยล้วควรจะทำอะไรคะควรจะทำยังไงดีคะทำลายตัวฉันอย่างเดียวพอหรอคะอาจารยเนี่ยเข้ามาเรื่องสมมุติแล้วก็พูดลงสมมติกันไปนะการทักทายทานายดวงชะตาเนี่ย มันเป็นของที่คู่กันบางแต่เรายังไม่เกิดแล้วคู่กับโลกมันเลยเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณสีหน้าบอกว่าถ้าเขาทํานายมาดีเขาก็ไม่มีปัญหาคแต่ถ้าเขาทํานายไม่ดีมันก็มีปัญหาคือหลายคนเนี่ยอาจจะหวังไว้หรือว่าสับสนด้วยว่าจะเอายังไงดีกับชีวิตรจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีเรามองทําใจเป็นกลางๆก่อนถ้าเขาทํานายมาดีอืมดีเราก็มีกําลังใจคไม่ต้องทําอะไรค แต่ถ้าเขาทำงานมาไม่ดีแ้วมันก็ดีนะอ้าวยังไงล่ะคะอาจารย์เพาก็มีวิธีการแก้ให้มันดีได้ก็อย่างนั้นเดี๋ยวต้องไปซื้อรูปบัวมาตั้งกลางบ้านให้หันหน้าไปทางที่มันออกหรือเป่าคะนี่แหละวิธีการแก้ให้มันดีเนี่ยมันมีหลายวิธีเราจะวิธีไหนมีวิธีอื่นอีกเหรอคะอืมเราจะซื้อรูปบัวค่ะเอามาตั้งไว้ที่นั่นหรือเราจะไปทําบุญใส่บาตรหรือเราจะไปปฏิบัติธรรมละเดือดตนซะเราจะเอาตรงไหนวิธีการทํานี่มีหลายอย่าง เรื่องรวัตตองไหนก็ตามที่เป็นการให้เป็นการรักษาศีลเพื่อการไม่เบียดเบียนคนอื่นดวงชะตาเราไม่ดีเนี่ยเป็นพ่อใจเราไม่ดีอ้าวใจเราก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่พอมาอ่านดวงชะตาว่าไม่ดีก็เลยไม่ดีเพราะความไม่ดีของใจเราที่ไปเชื่อไปเชื่อในสิ่งสมมุติเราก็เลยต้องเป็นทุกข์แต่ทุกข์โดยสมมุตินะทุกข์ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ดวงชะตาหรอกอยู่ที่ใจเราไปยึดมั่นถึงมันถ้าเราเห็นว่าอ๋อสิ่งนี้ ถ้าเรามีความหวั่นไหวกับดวงชะตาน ะ, ะหวั่นไหวนะไม่เป็นไรเราก็ทําไปทำแล้วสบายใจก็ทําไปแต่การกระทําเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราทําเพื่ออะไรทําเพื่อให้มันดีหรือทําเพื่อให้มันถูกต้องการที่เขาแนะนําให้ทําในสิ่งดีดีนั้นดีเราทำไเถอแต่ความถูกต้อง น, นั้นเราต้องใช้ปัญญาเพราะว่าสิ่งที่เขาทำนายมาเนี่ยมันไม่ถูกทุกคนหรอกคือบอกว่ามันคือเรื่องสมมุติตอนนั้นเองเป็นวิธีการสมมุติให้เรารู้จักใช้ชีวิต ที่ดีงามใช่ไหมอาจารย์รคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเองเนี่ยก็ไม่เชิงจะเชื่อนักแต่ก็อย่างที่เขาแนะนํำมานะคะว่าให้เอารูปปัวมาตั้งกลางบ้านอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราไม่ทําแล้วเราไปปฏิบัติทำแทนเนี่ยจะแก้เคล็ดได้จริงๆริงหรอคะธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ครอบคลุมจริงๆทั้งปวงธรรมะเนี่ยเหนือสมมุติเหนือดีเหนือชั่วมันพ้นไปแล้วจากสิ่งเหล่าเนี้ถ้าหากว่าเรายังมีความหวั่นไหวแบบนี้อยู่ถ้าเราไม่ทําเนี่ย แล้วก็มีสินค้าขาดใจใช่ไหมตัว จ, จะเป็นอย่างนั้นตัว จ, จะเป็นอย่างนี้บอกแล้มันอยู่ที่ใจเราเพราะว่าถ้าหากว่าต้องไปแก้บนที่วัดนี้อย่างเดียวเนี่ยโอ้โหคนปีชัวทั้งโลกเนี่ยเอาเมืองไทยนี่มีแก้บนชว่วยสมมติใช่ไหมแล้วก็จะมามารวมกันที่วัดนี้ได้อย่างไรกันละ่ะแก้คนเมืองไทยทั้งหมดเนี่ยนําถือช่วยะลูขานถอดอย่างนี้ละ่ะก็ยังพอรับไหวอยู่หรอกแต่ถ้าคนทั้งโลกเนี่ยโดยสาวคนจักรวาลเนี่ย มีปีชั่วทั้งหมดเนี่ยเราจะทําอย่างไรล่ะเราต้องมองถึงแง่ความจริงทำไมาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งแค่สมมติสมมุติต้องเข้าใจครัว่าสมมติสมมติย่อมไม่จริง เ, เ, เรื่องของศาสตร์ต่างๆสยศาสตร์ก็ดีดาราศาสตร์ก็ดีแล้วก็โหราศาสตร์ก็ดีสิ่งเหล่านี้น เ, นเขามีมานานแล้วมีไว้สำหรับคนที่มีจิตใจยังหวั่นไหวอยู่คนที่ยังไม่มีที่พึ่งอันเกษมถ้าคนที่มีที่พึ่ ง, งกเกษมเนี่ย ดวงดาวก็ดีดวงชะตาก็ดีไม่ริคิดชีวิตเราไม่ได้เราต่างหาที่เป็นผู้ทิคิดชีวิตเราเองเราใช้ชีวิตเราดีแล้วก็ทําแต่ความดีอยากให้ชีวิตเรามีความสุขแล้วก็รู้จักทําตามหลักคําแนะนําของศาสนาชีวิตเราก็จะมีความสุขมันมีหลักอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวเราเองต่างหาที่ต้องลิคิดชีวิตเราอย่าปล่อยให้พระพรหมหรือใครก็ตามมาลิคิดชีวิตเราเราจะลิคิดชีวิตเราไปยังไงเนี่ย เราก็สามารถจะลิกิตได้เนี่ยอาศัยหลักธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องไสยศาสตร์ก็ดีโหรศาสตร์ก็ดีมีไว้นสำหรับคนที่มีจิตใจวันไหวกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเราเป็นผู้ที่สร้างเองเราต้องแก้ไขตัวเราเองเรื่องของกรรมเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งที่เราต้องรู้จักยอมรับและทําความเข้าใจและก็แก้ไขให้ถูกต้องทํากรรมดีผลหขอมกรรมดีก็ออกมากับตัวเราใครทําใครได้สิ่งนี้น อย่าฝากชีวิตไว้กับโชคชะตาลาสีอย่าฝากชีวิตไว้กับดวงดาวแล้วก็อย่าฝากชีวิตไว้กับผู้อื่นเราต้องฝากชีวิตไว้กับสติปัญญาของเราสติปัญญาของเราเนี่ยจะมาจากไหนก็มาจากการได้ศึกษาได้ฟังได้ปฏิบัติมันจะเกิดสติปัญญากับตัวเราจะเกิดความมั่นใจไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนดวงชะตาเราได้หรอกทุกคนมีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเป่าพันุ์เขาจะมาแก้กรรมตอนนี้อย่างไรเราต้องแก้กรรมด้วยตัวเราเองอาจารย์กําลังจะบอกว่าดวงชะตาที่ไม่ว่าจะฟ้าดินลิขิตหรือพรมลิขิตของแต่ละผู้คนเนี่ยนะคะครับมันก็ต้องมีดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นเรื่องธรรมดาออในเมื่อถึงคราวในปีที่จะไม่ดีสําหรับตัวเราเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องเห็นเป็นธรรมดาให้ได้อย่าได้ไปตื่นเต้นวันไว้แล้วก็ไปแก้เคลิสขัดยอกอะไรมากมาย ก็คือให้ยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราแล้วก็ไม่ต้องหลีกนีเรียนรู้ที่จะอยู่ตรงนั้นอย่างไม่เป็นทุกข์แล้วก็ถ้าจะทําให้ดียิ่งขึ้นก็คือปฏิบัติธรรมเสริมเข้าไปการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยถูกต้องมากเพราะเขาเกิดอยู่แล้วเพราะมันเกิดอยู่แล้วใช่ไหมเราต้องรู้จักยอมรับแต่ว่าไม่ใช่ยอมแพ้เราต้องเป็นไปตามกรรมโอ้เราต้องเป็นอย่างนี้นระเป็นไปตามกรรมรู้จักยอมรับแต่ว่า อย่ายอมแพ้อย่านอนร้องไห้แล้วก็ท้อแท้บังกําลังใจเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงให้มันดีได้คือการไม่ยอมแพ้เพราะทุกอย่างในเป็นของคู่ในโลกนี้ในโลกนี้เป็นของคู่กันนะมีดีมันก็ต้องมีไม่ดีมีไม่ดีก็ต้องมีดีมาถึงว่าถ้าเราทําสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นผลก็ออกมาไม่ดีแต่สามารถเปลี่ยนให้มันดีได้เห็นไม่มอย่างเช่นเขาทักทายว่าอ๋อนี่ดวงไม่ดีนะมันก็มีทางออกให้เปลี่ยนเป็นดีได้ นเป็นของคู่กันเพราะนั้นอย่าไปท้อแท้หรือหมดกำลังใจว่าเราชีวิตเรานี่มันทำไมถึงมีแต่ทุกข์มีแต่ความยากจนก็ต้องจนตลอดชาติไม่ใช่เราสามารถเปลี่ยนความยากจนให้เป็นความมั่งมีได้โดยการรู้จักขยันหาขยันเก็บรักษารู้จักใช้จ่ายรู้จักคบเพื่อนให้ถูกต้องล้วก็สามารถที่จะมั่งมีได้แต่ว่าไอ้ความมั่งมีความล่ำรวยนั้นขนาดไหนจึงจะเพียงพอ ถ้าเราไม่มีความพอใจไม่มีความพอดีแล้วก็ว่าความรวยความที่จะมั่งมีมันก็จะไม่เพียงพออยู่ที่ใจเราต่างหากถ้าใจเรายึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นมันก็มีความหมายกับเรามากต้องแก้ไขมากถ้ารู้จักปล่อยวางเสียบ้างปล่อยวางอะไรก็ตามสิ่งนั้นมันก็จะไม่มีความสัมพันธ์ตับเราเลยนะจึงบอกว่าในโลกนี้มีแต่ดีชั่วบุญบาปมีแต่สมมติแต่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่ เอาไว้ฟังเ ล, เ, ลเล่นสนุกสนุกพูดถึงเรื่อง <c oughs> สมมุติแล้วก็มีเรื่องเล่าสนุกสนุกนะคะอาจารย์ <c oughs> คงจะจําร้านข้าวบันไก่ที่สะพานพระรามแปดที่เราไปทานกันบ่อยๆได้ครับค่ะก็มีอยู่วันหนึ่งไปทานข้าวบันไก่หลังจากตรุษ จ, จีนก็เลยถามว่าอา้าวตรุษจีนไม่ได้หยุดเหรอเขาบอกหยุดหยุดวันถือหรือวันอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะที่วันนั้นเนี่ยพี่น้องชาวจีนจะไม่ทํางานแล้วเขามีความเชื่อว่าถ้าทํางานในวันนั้นเนี่ยเนี่ยจะทําให้ ลำบากไปทั้งปีถ้าไม่ทํางานในวันนั้นแล้วก็จะสบายไปทั้งปีอะไรประมาณเนี้ยนะคะที่จริงประการใดไม่รับรองนะคะคือพี่เจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังก็เลยถามเขาว่าแล้วหยุดวันอย่างที่ว่าเนี้ยทุกปีหรือเปล่าละ่ะเขาบอก อ, อ๋อหยุดทุกปีเลยก็เลยถามว่าแล้วสบายทุกปีไหมพี่บอก<พ>บอก<พ>็ยังลําบากเหมือนเดิมทุกปี<พ><พ><พ><พ>ก็เลยสะท้อนถึงมุมที่ว่าเรื่องของความเป็นสมมุตินะคะ เราสมมุติว่าวันนี้ต้องไม่ทํางาน<ม>วันนี้ต้องทํางานแต่จแล้วก็ถือว่าวันที่ไม่ทํางานเนี่ยถ้าไม่ทํางานวันนี้แล้วจะสบายไปทั้งปีแต่จริงๆเราก็ถืออย่างนี้แล้วปฏิบัติอย่างนี้มาทุกปีแต่เราก็ยังเหมือนเดิมทุกปีไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลย<ะ>ก็คือเป็นข้าวิยมที่สึบๆกันมาเฉยๆแต่ผลนะ่ยไม่มีใครรับรองเคล็ดลับบางอย่างที่คนเก่าๆคนโบราณเขาทํามาเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับเป็นวิธีการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าให้เราไว้เพื่อ ความไม่ตกกังวลไม่ใช่ไว้สำหรับที่จะ ก, กังวลเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายหรือไปทุกข์กับสิ่งนั้นให้ตั้งสติซะหน่อยสติเนี่ยถ้าเราพยายามฝึกไว้บ่อ ย, ย, ยมันจะทําให้จิตใจเราเป็นปกติจะไม่หวั่นไหวฝึกบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดปัญญารู้ความจริงของชีวิตว่าตัวตนมันไม่มีหรอกตัวตนของเราในมีไว้เพื่อสมมุติแต่ถ้ามีความสมมุติ ข, ขึ้นมาเนี่ย สิ่งที่มาจากความสมมุติเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นก็สมมติกันไปเรื่อยๆจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็ตามแก้ไขาตามสมมุติเพื่อได้อย่างตัวตนของเราเนี่ยเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยตัวเป็นหลักสําคัญเลยเป็นหลักที่จะลอกตัวตนให้มันหมดไปเมื่อมันหมดตัวหมดตนแล้วเนี่ยไม่มีตัวตนแล้วเนี่ยดวงมันจะตั้งอยู่ที่ไหนไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ตั้งทุกมันตั้งอยู่ที่ไหนไม่มีที่ตั้งเนี่ยมันอยู่ที่กายอ้าว มันก็ไม่ใช่ของเราเป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยเท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าเราฝึกสติอาศัยสติให้มากในการใช้ชีวิตเนี่ยสติเนี่ยมันจะช่วยทาให้เราเริ่มเข้าใจเรื่องของชีวิตมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยรักษาใจเป็นปกติได้ได้ยิ่งฝึก บ, บ่อยมันก็จะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงว่าอ๋ออันี้มันเรื่องสมมติกายเราไม่มีมันมีแค่สมมติใช้ จิตใจเนี่ยมันก็ไม่ใข็ของเราหรอกจะเป็นของเราจริงๆแล้วก็ให้มันคิดแต่สิ่งดีๆสิจิตก็ต้องคิดไปเรื่องที่เขาคิดดีมัง่งไม่ดีมัง่งมันก็รู้แต่สมมติต่างนั้นของจริงเนี่ยคือตัวสติที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยแต่มันก็จริงเฉพาะที่เรารู้แต่ถ้าเราเผลอสติก็มันก็หลงไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแม้ตัวสติเองนี่มันก็ยังไม่จริงและมีอะไรที่จะจริงจังกันเราได้ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยสรุปแล้วมี2 อ, อย่าง รู้กับหลงถ้าเรารู้ตัวเนี่ยไอ้ความหลงลืมตัวมันก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อมีความหลงลืมตัวเนี่ยความรู้ตัวก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อมีความรู้ตัวทุกมันก็ไม่เกิดถ้ามีความหลงลืมตัวเนี่ยทุก็จะเกิดเพราะถ้าหลงเมื่อไหร่แล้วก็ตัวเราโผล่ทันทีถ้ารู้สึกตัวแล้วก็มันพ้นจากตัวเราทันทีเลยอันนี้เป็นบทสรุปของชีวิตนะมีรู้กับหลงนึกว่ามีแค่ไม่มีตัวเราอย่างเดียว ก็ลำบากแล้วนะคะแต่ถ้าจะอยู่อย่างรู้ไม่หลงเนี่ยน่าจะยิ่งยากกว่าเปล่าคะอาจารย์นี่แหละเราก็ต้องฝึกเจริญบ่อยๆทําความรู้สึกตัวให้มันเกิดความเคยชินที่จะรู้รู้บ่อยๆพอต่อไปมันก็จะรู้ไปเรื่อยๆไม่ว่าค้ำพยานกสำสําหรับเราในปีนี้จะเป็นยังไงในปีหน้าจะเป็นยังไง <c oughs> ในปีไหนๆจะเป็นยังไง <c oughs> ก็จะไม่สําคัญอีกต่อไปใช่ไหมคะครับเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะมา ทำให้จิตใจเราคุย้ยเขลได้เพราะไม่มีใจที่จะคุ้ยเขวื่ซะแล้วไม่มีตัวที่จะคว้ยเคลืซะแล้วนะคะ <éd selections> <g criterion> ดีไหมคะเพื่อนของเรา <sh arp kg> เห็นเป็นประการใดคะลองนําไปคิดพินิษพิจารณาแล้วก็เลือกเอาเองนะคะเพราะชีวิตเป็นของแต่ละคนที่จะต้องกําหนดให้เป็นไปสําหรับของแต่ละคนเองนะคะ